บทชุมนุมเทวดาสระชังเศสนังสพันธุงนรินทังปริตานุภาโวสถารคตุงตีพริตวานเมตังสเสมตตาพระทานตา คิดตาจิตตาปริตตังภะนันตูสเคกาเมจะรูเปคิริสิขราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัทเทเจคาเมตะรวน คาเนเคอาวทุมิเกเตภุมมาจจยันตุเทวาชราธราวิสเมยักขาคันเพนา ธันตาสันติเกยังมุนีวราวชนังสาธูเมสุนันตูธ ร, รมมาสวรรคารอัยยมพระทานธ ร, รมมาสวา ร, าาารรวกาโรอัยยมพระทาน ธัมมสวนกคารูปอาญมภทานตา